ฉันเองไม่กล้าอพอไปคิดคู่เธออย่างนั้นขอเพียงได้พูดกันแค่นั้นถ้าเธอจะให้ฉันมีก็แค่ใจจะสู้อะไรกับเขาเดียวใครจะว่าเอา ว่าคิดอะไรเกินตัวฉันไม่ดีพอที่จะเป็นเป็นได้เหมือนดังเธอหวังฉันไม่ต้องการให้รักเธอพังชีวิตยังอีกต่างไกลฉันไม่ดีฉันโง่จะตาย ฉันเสธจะตายไปรักคนอื่นดีกว่าไม่ใช่ไม่นรักเธอแต่ฉันควรทำอย่างนี้ขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีเท่านี้ที่กล้าจะให้ทั้งตัวและหัวใจ ฉันก็มีเธอเท่านั้นขอเพียงท่านี้แล้วกันเก็บไว้ในใจก็พอฉันไม่ดีพอที่จะเป็นเป็นได้มันดังเธอวังฉันไม่ต้องการให้รักเธอพังชีวิตจังอีกต่างไกล ฉันโนจะตายวันนี้เธออดทนไว้ฉันไม่ดีฉันเสธจะตายไปรักคนอื่นดีกว่า เธอพังชีวิตจึงอีกดังไกลฉันไม่ดีฉันโง่จะตายวันนี้เธออาทนไหวฉันไม่ดีฉันเสิจะตายไปรักคนอื่นดีกว่าฉันไม่ดีหรอกโง่จะตายไปรักคนอื่นดีกว่า